เจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้บาสุบผบาศิกาผู้ฝ่ายมทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันจันทร์ที่สิบสองกันยายนพุทธศักราชสองพันห้ารยห้าสิบสี่เป็นวันพระวันธรรมวัฒนาวันฟังธรรม วันเสริมสร้างบนบารมีเพราะบนบารมีนี่แหละที่เป็นเหตุทำให้สัตว์โลกมีความแตกต่างกันเป็นมนุษย์บ้างเป็นเทพบ้างเป็นพรมบ้างเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นสัตว์นรกบ้างเพราะเหตุคือ การสร้างบุญบารมีมาไม่เท่ากันเมื่อเหตุไม่เท่ากันผลจึงไม่เหมือนกันผลจึงมีแตกต่างกันไปตามเหตุเหมือนกับการปลูกต้นไม้ชนิดต่างๆเมื่อปลูกต้นไม้ที่ไม่เหมือนกันผลลำไม้ก็จะออกมาไม่เหมือนกันฉันใด ความแตกต่างของพวกเรานี่ก็เป็นผลของการสร้างบุญบารมีในอดีตที่ผ่านมานั้นมีความแตกต่างกันบางคนก็เกิดสูงบางคนก็เกิดต่ำบางคนก็เกิดรวยบางคนก็เกิดจนบางคนก็เกิดฉลาดบางคนก็เกิดโง่ บางคนก็เกิดสวยบางคนก็เกิดไม่สวยบางคนก็เกิดด้วยอากาศครบ32สบองบางคนก็ไม่ครบส2สองผลแบบนี้เป็นผลที่เกิดจากการกระทำใ น, นอดีตถ้าได้สร้างบุญบารมีมาก็จะเกิดสูงเกิดดีเกิดชราเกิดสวย เกิดมีอายุครบทุ่นบริบูรณ์ดีอาการ32ครบท้่นบริบูรณ์ถ้าไม่สร้างบุญบารมีก็จะเกิดต่ำเกิดเกิดจนเกิดไม่สวยเกิดไม่รวยเกิดมีอาการไม่ครบส2องพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พุทธสาสนชนิกชนหลั่นสร้างบุญบารมี การอย่างสมัครเสนออย่างน้อยก็อาทิตย์ละหนึ่งครั้งมาสร้างบุญบา ร, รมีเช่นทานบา ร, รมีสีนบา ร, รมีเนคัมมาบา ร, รมีเมตตาบา ร, รมีปัญญาบา ร, รมีและอุเบกขาบา ร, รมีการที่จะสร้างบา ร, รมีต่างๆเหล่านี้ได้เราต้องสร้างบา ร, รมี อันแรกก่อนก็คืออธิษฐานบา ร, รมีอธิษฐานแปลว่าความตั้งใจที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เกิดผลที่ปรารถนา mm hmm. เช่นวันนี้เราก็ตั้งใจมาวัดกันนี่เรียกว่าอธิษฐานบา ร, รมีก่อนจะทำอะไรไม่ว่าจะดีหรือจะชั่วต้อง ตั้งใจไว้ก่อนเช่นพวกเราตั้งใจมาทําบุญบางคนก็ตั้งใจไปเล่นสุดไปเล่นการพนันไปเสพสุรายาม่านั่นก็เป็นอธิษฐานเหมือนกันแต่อธิษฐานไปในทางบาปในทางชั่วในทางที่จะนํามาซึ่งความเสือ่อมเสียแต่พวกเรานี้จะอธิษฐานมาในทางดีคือมา สร้างทานบารมีมาสร้างศีลบารมีมาสร้างนมคัมะบารมีมาสร้างปัญญาบารมีมาสร้างเมตตาบารมีและมาสร้างอุเบกขาบารมีด้วยการมาวัดด้วยการปฏิบัติเมื่อเราได้ตั้งใจแล้วเราก็จะได้ออกมาจากบ้านเพื่อมา ทำในสิ่งที่เราตั้งใจถ้าเราไม่ตั้งใจวันนี้พอติ่นขึ้นมาอาจจะมีเพื่อนโทรศัพท์มาชวนไปทำธุระหรือไปเที่ยวที่ใดที่หนึ่งถ้าเราไม่ได้ตั้งใจไว้เราก็จะไปกับเขาเพราะเราคิดว่าเราว่างเราไม่ได้มีอะไรจะต้องทำ แต่ถ้าเราได้ตั้งใจไว้แล้วว่าวันนี้เป็นวันพระจะต้องมาวัดพอใครโทรมาเราก็ปฏิเสธเข้าไปเพราะเราตั้งใจจะมาวัดถ้าเรามีความจริงใจจริงใจนี่คือสัจจะบารมีถ้าเราตั้งใจแต่เราไม่มีสัจจะบารมี คือความจริงใจพอมีคนโทรมาชวนให้ไปทำอย่างอื่นเราก็อาจจะเปลี่ยนความตั้งใจได้อันนี้เดี๋ยววันวันหลังค่อยไปก็ได้วัดวันนี้ต้องไปทำเรื่องนี้ก่อนอย่างนี้แสดงว่าเราไม่มีสัจจะบาลามีไม่มีความจริงใจไม่มีความเอาจริงเอาจังถ้าเราตั้งใจแล้ว ทัานที่สองเราต้องมีสัจจะความจริงใจความเอาจริงเอาจังตั้งใจว่าวันนี้จะมาวัดไม่ว่าใครจะมาชวนไปไหนก็ตามถึงแม้ชวนให้ไปเอาเงินเป็นร้อยล้านพันล้านก็จะไม่ไปเพราะมีสัจจะได้ลั่นสัจจะไว้แล้วว่าวันนี้จะต้องมาทาบุญที่วัดถ้ามีสัจจะ ก็จะได้ไม่มีใครมาล้มความตั้งใจเราได้ข้อที่สามที่เราต้องมีในการสนับสนุนการสร้างบารมีก็คือวิ ร, ยริยะบารมีคือความขยันเราต้องขยันถ้าเราขี้เกียจเราอาจจะไม่มาก็ได้หรือมาไม่ถึงก็ได้เช่นขับรถมากลางทางรถเสีย ก็เลยเปลี่ยนใจกลับบ้านแทนที่จะหารถเช่ารถโบกรถมาวัดก็ท้อแท้ไม่อยากจะมากลับไปนอนบ้านดีกว่าอย่างนี้เพราะไม่มีความอุตสาหะพยายามไม่มีวิยิยะแล้วถ้ามาแล้วเกิดเจออุปสรรคตามทางเจอน้ำท่วมเจอปัญหารถติด ถ้าไม่มีความอดทนคือไม่มีพันติบารมีก็จะไม่สามารถมาถึงที่วัดได้เพราะเกิดความท้อแท้ก็เลยเปลี่ยนใจกลับไปบ้านดีกว่านี่คือบารมีสประการด้วยกันที่จะเสริมที่จะสนับสนุนการสร้างบารมีต่างๆเช่นทางบารมีต้องมีอธิษฐานบารมีความตั้งใจ เมื่อตั้งใจแล้วก็ต้องมีความจริงใจมีสัจจะบรารมีไม่เปลี่ยนใจแล้วเมื่อมีสัจจะบรารมีแล้วก็ต้องมีวิ ร, ยริยะบารมีต้องมีความอุตสาหะพยายามภาคเพียรต้องมาให้ได้จะยากจะลำบากอย่างไรก็จะมาให้ได้แล้วก็ต้องมีขันติบรารมีความอดทนถ้าลาบาก อย่างไรก็ยังพยายามฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆให้มาถึงที่วัดเพื่อจะได้มาสร้างทานบารมีต่อไปนี่คือบารมีที่สำคัญมากที่ในในการสร้างบารมีอย่างองื่นเราต้องเราต้องมีอธิษฐานบารมีมีสัจจะบารมี มีวิรญยณบารมีและมีขันติบารมีพอบารมีแล้วเรื่องการสร้างทานบารมีก็จะเป็นไปได้อย่างสะดวกราบรื่นเ <t> ช่นวันนี้เราก็ได้มาสร้างทานบารมีแล้วทานก็คือการให้ให้ข้าวของเงินทองที่เรามีเกินมีเหลือ ไม่จำเป็นที่จะต้องเก็บเอาไว้เราก็เอามาให้แก่ผู้อื่นเพื่อเป็นการสร้างทานบารมีการสร้างทานบารมีนี้ควรจะทําตามกำลังตามฐานะของเราอย่าไปดูคนอื่นว่าเขาทํามากกว่าเราหรือทาน้อยกว่าเราเป็นเรื่องของเขาเรื่องของเราก็คือ เราทำตามกำลังของเราทำในส่วนที่เรามีเหลือมีเกินถ้าเราไม่มีก็ไม่ต้องทำเพราะการทำทานนี้เพื่อเป็นการละหรือตัดความเจริีตะอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในสมบัติเข้าของเงินทองในความหวงแหนและในความโลภอยากได้ อยากได้ทรัพย์สมบัติเท่าของเงินทองเพิ่มมากขึ้นไปเราทำเพื่อที่จะทำให้เรามีสมบัติน้อยลงไปเพราะการมีสมบัติมากเกินความจำเป็นนี้ไม่เป็นประโยชน์แต่จะเป็นโทษกับจิตใจเพราะจะทำให้จิตใจมีภาระต้องวิตกกังวลต้องคอยดูแลรักษาต้องคอยหวงคอยหว่วงและ จะต้องเสีย อ, อกเสียใจเวลาที่สูญเสียทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปแต่ถ้าเราให้อยู่เรื่อยๆแล้วเวลาเราสูญเสียไปเราจะไม่รู้สึกเสียดายเวลามีเราก็จะไม่วิตกกังวลไม่ห่วงไม่หวงเพราะรู้ว่าเราไม่มีความจําเป็นที่จะต้องอาศัยทรัพย์สมบัติ ข้าวของเงินทองก้อนนี้ก็เลยทําให้ใจของเรามีความเย็นมีความสุขและทําให้เราเป็นคนใจกว้างเป็นคนที่มีคนนับหน้าถือตายกย่องสรรเสริญ น, นี่คือเรื่องของทานบา ร, รมีขอให้เราทําไปตามกําลังของเราทำํำในส่วนที่เรามีอยู่ถ้าเราไม่มีทรัพย์ข้าวของเงินทอง เราก็ให้อย่างอื่นก็ได้เช่นถ้าเรามีความรู้วิชาความรู้เราก็เอาไปสอนผู้อื่นได้สอนผู้อื่นให้รู้จักการทำกับข้าวเย็บปักถักร้อยทำสวนปลูกต้นไม้หรือทำอะไรต่างๆโดยที่เราไม่คิดค่าตอบแทนอย่างนี้ก็เป็นเป็นทานเรียกว่าวิทยาทานถ้าเรามีเงินทอง เท่าของเราให้ไปก็เรียกว่าวัตถุทานถ้าเรามีความรู้ในทางธรรมะรู้ว่าทุกเกิดจากอะไรรู้ว่าการดับทุกข์ดับได้อย่างไรถ้าเราเห็นผู้อื่นเขามีความทุกข์เราก็สอนเขาบอกธรรมะให้กับเขาเขาก็จะได้หายจากความทุกข์อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นธรรมทาน นี่คือสิ่งที่เราสามารถให้แก่ผู้อื่นได้เป็นการให้ทานเป็นการสร้างทานบามีต่อจากทานบามีเราก็ต้องสร้างศีลบามีศีลบามีก็คือการไม่เบียดเบียนผู้อื่นคือละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตละเว้นจากการลักทรัพย์ละเว้นจากการประพฤติผิดประเวณี ละเว้นจากการพูดปดมทมดเท็จและและเว้นจากการเสพสุรายาเมาเช่นวันนี้ญาติโยมก็ได้มาสมาทานศีลห้ากันนี่ก็เรียกว่าได้มีความมั่นสัญญาต่อพระสงองค์เจ้าต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะเราได้กล่าวพุทธังธรร ม, มังสังฆังสระนังกัจฉามิ ว่าจะเป็นที่พึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเราด้วยการปฏิบัติตามพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือรักษาศีลห้าเมื่อเราลักเมื่อเราสมาทานแล้วเราก็ต้องรักษาให้ได้ไม่ฉะนั้นแล้วเราก็จะเป็นคนโกหกหลอกลวงบอกว่าจะรักษาแต่พอออกจากศาลาไปก็ไม่รักษา ศีลนี่มีความสำคัญมากเพราะว่าจะเป็นสิ่งที่ป้องกันไม่ให้จิตใจต้องไปเกิดในอบายถ้ารักษาศีลห้าได้ไม่จะไม่ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นผีเป็นสัตว์นรกถ้ารักษาไม่ได้ตายไปก็จะต้องไปเกิดในอบาย ถ้ารักษาได้ตายไปก็จะไปสวรรค์หรือถ้าไม่ไปสวรรค์ก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เลยไม่ต้องไปใช้บาปใช้กรรมก่อนนี่คือความสาคัญของศีลถ้าเราอยากจะขึ้นสูงเราต้องรักษาศีลอยากจะเป็นมนุษย์อยากจะเป็นเทพอยากจะเป็นพรมอยากจะเป็นพระอริยเจ้าต้องมีศีลเป็นส่วนประกอบ แต่ไม่ใช่ศีลเพียงอย่างเดียวต้องมีบา ร, รมีอย่างอื่นเพิ่มตามขึ้นมาด้วยถ้ามีศีลอย่างเดียวและมีทานก็จะได้ไปสวรรค์ชั้นเทพถ้ามีศีลแต่ไม่มีทานก็จะได้กลับมาเป็นมนุษย์แต่ถ้าอยากจะขึ้นไปสวรรค์ชั้นพรหมก็ต้องสร้างบา ร, รมีข้อที่สาคือเนกขมารบารมี ในคำนี้แปลว่าการออกจากการมาสุขคือจะไม่หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะเป็นเป็นความสุขของเทพระดับเทพของมนุษย์ของระดับมนุษย์ถ้าอยากได้ความสุขระดับพรมต้องไม่หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะแต่จะหาความสุขจากการทำใจให้สงบ นั่งสมาธิทำใจให้เป็นชาตขั้นต่างๆด้วยการถือสีนแปดคือเพิ่มขึ้นมาอีกสมข้อจากสีห้าสีข้อที่สก็เปลี่ยนจากกาเมสุมิชชามาเป็นอพรรมจจาริยาคือไม่ร่วมหลับนอนกับใครเลยแม้แต่คู่ครองของตนคือสามีหรือภรรยา จะวันนี้จะไม่หาความสุขจากการเสษการมจะหาความสุขจากการทำใจให้สงบจะหาความสุขจากสันติความสงบด้วยการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิแต่ก่อนจะปฏิบัติได้ก็ต้องถือศีลข้อที่6คือละเว้นจากการรับประธานอาหาร หลังจากเที่ยมวันไปแล้วพราะถ้ายังจะรอรับประทานอาหารตอนเย็นจิตก็จะงัววักโผลรอเวลารับประทานอาหารจะไม่อยากจะนั่งสมาธิจะไม่อยากสวดมนต์ไหว้พระยังอยากจะคิดหาเครื่องดื่มหาขนมมารับประทานต่อแต่ถ้าไม่รับประทานอาหารขนมน้ำเลย หลังจากเที่ยงวันไปแล้วใจก็จะได้ไม่ต้องมาพวักพวบนมารอหารับประทานของต่างๆก็จะไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิได้เลยตั้งแต่หลังจากเที่ยงวันไปแล้วก็จะมีเวลาเพิ่มขึ้นในการสร้างความสุขความสงบของใจได้อีกหลายชั่วโมงด้วยกันนอกจากการไม่รับประทานอาหาร หลังเชียงวันไปแล้วก็ต้องไม่หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเช่นไม่ดูหนังฟังเพลงไม่หาความสุขจากเครื่องบรนเทิงต่างๆไม่หาความสุขจากการแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีสดใสไม่ใช้น้ำหอมไม่ใช่เครื่องสำอางเพราะความสุขเหล่านี้เป็นความสุขของเทพของมนุษย์ไม่ใช่เป็นความสุขของพร ถ้าอยากจะได้ความสุขของพรหมก็ต้องละความสุขเหล่านี้รวมถึงศีลข้อที่8คือไม่หลับนอนบนฟูกหนาๆเพราะเวลานอนหลับนอนบนฟูกหนาๆจะมีความสุขจะทําให้นอนมากเกินไปแทนที่จะนอนตามความต้องการของร่างกายก็จะนอนตามความต้องการของกิเลสคือการมากตัญหา ปกติถ้าร่างกายนอนบนพื้นพื้นแข็งๆปูด้วยเสือ่อหรือปูด้วยผ้าถ้านอนประมาณสี่ห้าชั่วโมงก็จะพอจะตื่นขึ้นมาแต่ถ้านอนบนฟูกถึงแม้ว่าร่างกายจะตื่นขึ้นมาแล้วสี่ห้าชั่วโมงไปแล้วแต่ก็ยังอยากจะนอนต่อยังไม่ลุกขึ้นเพราะมันสบาย ก็จะนอนอีกสี่ห้าชั่วโมงด้วยกันถึงจะลุกขึ้นมาก็จะทำให้เสียเวลาต่อการทำใจให้สงบจะไม่มีเวลาทำเพราะเอาไปหลับนอนเอาไปรับประทานอาหารเอาไปหาความสุขกับเครื่องบรรเทิงต่างๆใจก็จะไม่สามารถพัฒนาให้สูงขึ้นไปในระดับพรมได้ จึงต้องถือเนกขมมะสร้างเนกขมมะบารมีคือถือศีลแปดอย่างบางท่านที่มาอยู่วัดมาถือศีลแปดกันแล้วก็มานั่งสมาธิสวดมนต์เพื่อทำจิตใจให้สงบเจริญสติอยู่ตลอดเวลาควบคุมใจไม่ให้คิดรุ่มแต่งเรื่องราวต่างๆให้อยู่กับการกระทาของร่างกาย หรือให้อยู่กับการบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปทําอะไรก็บริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปไม่ให้คิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ใจก็จะนิ่งเวลานั่งสมาธิใจก็จะสงบรวมล ง, ล ง, ลงเป็นอุเบกขาเนะี่ยก็จะได้บารามีอีกการหนึ่งก็คืออุเบกขาบา ร, รมีอุเบกขานี่มีความสําคัญมาก เพราะจะทําให้ใจเราสงบไม่ว้าวุ่นขุน ม, มัวถ้าไม่มีอุเบกขาบารมีเวลาเห็นอะไรได้ยินอะไรใจจะมีปฏิกิริยา ท, าทันทีจะดีใจจะเสียใจ ท, ทันทีถ้าได้ยินสิ่งที่ชอบก็ดีใจถ้าได้ยินสิ่งที่ไม่ชอบก็จะเสียใจแต่ถ้ามีอุเบกขาบารมีใจจะเฉยเฉย จะสักแต่ว่าถ้ายินเสียงดีก็สักแต่ว่าเป็นเสียงเสียงไม่ดีก็เป็นสักแต่ว่าเป็นเสียงจะไม่เดือดร้อนใครจะดา่าใครจะพูดอะไรก็ไม่เดือดร้อนเพราะมีอุเบกขาบรารมีนี่คือเรื่องของการสร้างบรารมีถ้าอยากจะพัฒนาใจให้สูงขึ้นไปกว่าท่านพรหม อยากจะขึ้นไปแบบไม่กลับลงมาเลยก็ต้องพัฒนาปัญญาบารมีเพราะปัญญานี้จะชำระกิเลสตัณหาที่เป็นตัวฉุดลากให้จิตใจเวียนว่ายตายเกิดที่ทำให้จิตใจเสื่อมลงจากจากสวรรค์ชั้นสูงเช่นพรหมเพราะว่ากิเลสจะทำให้ใจอยากลง อยากได้เสบรูปเสียงกลิ่นรสที่หยาบ ก, ก็ต้องลงมาจากชั้นพรหมมาเป็นชั้นเทพพอเป็นชั้นเทพก็อยากจะเสบห ย, ยาบ ก, กว่านั้นก็ต้องลงมาเป็นมนุษย์แต่ถ้ามีปัญญาตัดกิเลสตัณหาได้ก็จะทำให้ไม่มีกิเลสมาดึงให้จิตใจลงต่าถ้าอยู่ขั้นไหนก็จะอยู่ขั้นนั้น มีแต่จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆเพราะปัญญาเที่ยงจะคอยชำระกิเลสตัณหาอยู่เรื่อยๆจนในที่สุดไม่มีกิเลสตัณหาหลงเหลืออยู่ภายในใจเลยกลายเป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์เป็นใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอาหารหันตสาวกเมื่อใจเป็นบริสุทธิ์แล้วก็จะไม่มีวันเสื่อมอีกต่อไปจะไม่มีวันโศกกระกอีกต่อไป เพราะว่าสิ่งที่ทำให้ใจสกปรกคือกิเลสตัณหานั้นได้ถูกทําลายไปหมดแล้วด้วยอำนาจของปัญญาบารมีปัญญาบารมีนี่แหละเป็นอาวุธที่สําคัญที่สุดในการที่จะฆากิเลสตัณหาทั้งหลายให้หมดไปบารมีอย่างอื่นนี้ไม่สามารถฆากิเลสตัณหาได้เพียงแต่ทำให้เบาบางลงได้ ทำให้อ่อนกำลังลมงไปได้แต่ไม่สามารถทำลายไม่สามารถขุดรากออกมาได้ต้องปัญญาเท่านั้นปัญญานี่ก็คือพระอริยสัจสีทุกสมุทัยนิโรธนักถ้ามีปัญญาใจก็จะคอยจดจ่อดูความรู้สึกของตนเองตลอดเวลา ถ้ามีความทุกข์เกิดขึ้นมาเมื่อไรก็จะใช้ปัญญาวิเคราะห์หือว่าไม่สบายใจเพราะอะไรใครทำให้เราไม่สบายใจหรือเราทำตัวเราเองไม่ให้สบายใจเช่นเราได้ยินเสียงไม่ดีเราไม่ชอบเราก็ไม่สบายใจถ้าเราชอบเราก็จะสบายใจดังนั้นปัญหาไม่ได้อยู่ที่เสียงที่เราได้ยินแต่อยู่ที่ใจเราไปชอบหรือไม่ชอบเอง ถ้าใจเราทําใจเฉยๆไม่ไปชอบไม่ไปไม่ชอบใจเราก็จะไม่เดือดร้อนจะไม่ทุกข์เราก็จะเห็นว่าอ๋ออยู่ที่ความชอบของเราเองอยู่ที่ความอยากของเราเองถ้าเราชอบอะไรเราก็จะอยากได้อย่างนั้นเช่นเราชอบให้คนเขายกย่องสรรเสริญชมเราเวลาที่เขาไม่ชมเราเขาตําหนิติเตียนเรา เราก็จะเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาดังนั้นเราต้องดับความอยากให้คนอื่นเขาพูดดีกับเราเราต้องทำใจยินดีกับการพูดของเขาไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีเพราะว่าเราไปควบคุมเขาไม่ได้ไปสั่งเขาไม่ได้ไปห้ามเขาไม่ได้แต่เราห้ามใจของเราได้ ห้ามใจของเราไม่ให้ไปอยากให้เขาดีกับเราพูดดีกับเราพอเราไม่มีความอยากแล้วเขาไม่พูดดีกับเราเราก็จะไม่เดือดร้อนเราจะรู้สึกเฉยเฉยนี่คือปัญญาเราต้องมองดูที่ใจของเราว่าความทุกข์ความไม่สบายใจของเรานั้นไม่ได้เกิดจากคนอื่นไม่ได้เกิดจากสิ่งอื่นแต่เกิดจากใจของเรา ที่ไปอยากกับสิ่งอื่นไปอยากกับคนอื่นนั่นเองถ้าใจเราไม่อยากแล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับใครก็ตามจะไม่เป็นปัญหากับเราเขาจะไม่รักเราไม่ชอบเราก็ไม่เป็นปัญหาเขาจะโกรธจะเกลียดเราก็ไม่เป็นปัญหาเพราะใจเราไม่ได้ไปอยากให้เขารักเรารือชอบเราเราเฉยๆได้ทั้งนั้นโกรธก็ได้เกลียดก็ได้ รักก็ได้ไม่เป็นปัญหานี่คือปัญญาที่จะกำจัดกิเลสตัณหาความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจพอกิเลสตัณหาหมดไปจากใจแล้วก็จะไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ต่อไปใจก็จะสะอาดบริสุทธิ์มีแต่ความสุขอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าปรมังสุขขังนิพพานปรมังสุขขัง นิพพานเป็นความสุขอย่างยิ่งนิพพานก็คือจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์ด้วยปัญญาบารามีแต่ต้องมีเนกขมมะบารามีมีศีลบารามีมีทานบารามีมีเมตตาบารามีมีอธิษฐานบารามีมีสัจจะบารามีมีวิริยะบารมีมีขันติบารามีเป็นเครื่องสนับสนุน เมื่อมีบรารมีครบทั้งสิบประการแล้วใจของเราก็จะได้พัฒนาขึ้นถึงขั้นสูงสุดเช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงพัฒนามาพระพุทธเจ้าได้เป็นพระพุทธเจ้าพระอรหันตาสาวกได้เป็นพระสาวกก็เพราะว่าได้สร้างบรารมีทั้งสิบประการนี้มานั่นเองไม่ได้อยู่ที่อื่นอยู่ที่การสร้างบุญบรารมีนี้เท่านั้น ขอไม่ได้ขออย่างไรก็ขอไม่ได้ขอพระพุทธเจ้าให้เราได้เป็นพระอาหารหันต์ก็ขอไม่ได้พระพุทธเจ้าก็ให้เราไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่เป็นเหตุเหตุนี้ก็คือการสร้างบุญบารมีนี้ท่านั้นยิงขอให้ญาติโยมจงหมั่นสร้างบุญบารมีกันอย่างสม่าเสมเออย่างต่อเนื่องอย่างน้อยที่สุดวันพระหนึ่งก็ควรที่จะสร้าง บารมีต่างๆกันสักหนึ่งครั้งแล้วความสุขและความเจริญชีวิตจิตใจที่จะดีขึ้นก็จะเป็นผลที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแต่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพรศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้